สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 8 9 5 MHz เมค่ะคุณผู้ฟังไปชาร์จแบตกันมานะคะ3มวันเต็มๆนะคะคิดว่าคงจะต้องมีความรู้สึกว่ามีไฟเต็มที่นะคะที่พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะทางานกันต่อแล้วใช่ไหมคะ คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็จ ะ, ะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับมิชลินสตาร์ค่ะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะคุ้นเคยนะคะกับคําว่ามิชลินสตาร์หรือว่าร้านอาหารนะคะที่มีดาวหนึ่งดวงสองดวง3าดวงคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าตอนนี้บ้านเรานี้นะคะได้มิชลินสตาร์หนึ่งดวงนะคะแล้วก็ที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพบกับร้านคานะคะที่ อาจจะไม่ต้องใช้มิสลินสตาร์นะคะแต่ว่าอาหารอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะััันนนนกกก็เเลียตวออยมมาป ยอมเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีทั้งที่ไม่อยากทำฉันก็อยากจะดีอยู่เหมือนกันไม่อยากถูกแคล้ซ้ำๆอยากมีเวลาที่น่าจดจำไม่ต้องโดนใครเขาย่ำยีถ้าเลือกได้ใครบ้างอยากมีชีว ที่มีมันทรมานเพียงใดถ้าเลือกได้อยากลบชีวิตตอนนี้ทิ้งไปเริ่มชีวิตใหม่กับใครสักคนที่ดีมีไหมสักคนที่เข้าใจาเธอจะเกิดเป็นฉัน สาเหตุที่มันเป็นไปอาจเป็นวันกรรมที่เคยเก่อไวถึงคราวต้องชดใช้สุกที คุณผู้ฟังคะพูดถึงมิชลินสตาร์นี่นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็คงอยากจะไปลิ้มชิมรสร้านอาหารนะคะที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นมิชลินสตาร์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการการันตีนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านอาหารว่าอาหารนั้นจะต้องอร่อย แต่ความเป็นมาของมิชลินสตาร์นี้นะคะก็คือที่ประเทศฝรั่งเศสที่นั่นนะคะก็จะเริ่มนะคะทำไก่บุกเล่มระเ ก, กสีแดงจริงๆแล้วนี่นะคะก็มาจากยางมิชลินนี่แหละคะ่ะเขาจะโปรโมตยางมิชลินอย่างไรนะคะก็คื อ, อโปรโมตยางมิชลินโดยการให้ การขับรถนะคะโดยโดยใช้ยางรถยนต์นี่นะคะ่ะพาคุณไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมน ะ, ะเป็นการบอกเส้นทางแล้วก็ทําเป็นไกดบลูกเล่มเล็กๆนะคะจึงเกิดเป็นมิชลินคืนนะคะและเมื่อร้านอาหารนั้นเนี่ยนะคะได้รับการยอมรับนะคะก็จะมีการให้สตาร์หรือว่าให้ดาวนะคะจะเป็น1ดวง2ดวง3าดวงนะคะก็จะเป็นเกณฑ์การตัดสินนะคะว่าถ้าเป็นหนึ่งดาวนี่นะคะเยี่ยมสุดในร้านประเภท เดียวกันแต่ถ้าเป็น2ดาวนะคะอร่อยนะคะจนคุ้มค่าแห่งการขับรถออกนอกเส้นทางที่จะไปชิมถ้าเป็น3ดาวก็คืออร่อยเลิศเลอค่าแม้ว่าจะไกลแค่ไหนก็ควรที่จะต้องดันด้นไปกินนะคะนี่ก็คือระดับของมิชลินสตาร์สามระดับด้วยกันนะคะสำหรับประเทศที่มีมิชลินสตาร์ครองดาวมากที่สุดนะคะแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นฝรั่งเศสใช่หมคะเพราะว่า คนฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าอาหารของเขาอร่อยที่สุดในโลกนะคะรองลงมาก็คือญี่ปุ่นนะคะอิตาลีเยอรมนีและประเทศสหราชอาณาจักรนะคะตามลำดับส่วนการตัดสินว่าจะได้มิชลินสตาร์หรือไม่แล้วก็จะได้กี่ดวงนะคะเขาก็มีหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้5ข้อข้อแรกก็คือคุณสมบัติของส่วนผสมทักษะในการปรุงรส รสชาติความคิดสร้างสารรค์ร้านอาหารและความคงที่ของคุณภาพอาหารค่ะนี่ก็เป็นเกณฑ์นะคะในการตัดสิน สำหรับเวลานักชิมเนี่ยนะคะเวลาจะไปชิมในร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะปลอมตัวไปเป็นลูกค้าปกติทานอาหารจ่ายเงินนะคะทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปนะคะทำทุกเมนูให้ชิมนะคะแล้วคนอื่นโต่อื่นทานอะไรนะคะชันก็จะต้องทานเหมือนกันนะคะในการชิมเนี่ยนะคะไม่ใช่ชิมแค่ครั้งเดียวแล้วให้ดาวเลยนะคะคุณผู้ฟังปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปชิมซ้ถึงสครั้งเพื่อที่จะตรวจสอบ ความเสมอต้นเสมอปลายของคุณภาพอาหารนะคะแล้วก็บริการด้วยนะคะว่ายังเหมือนเดิมไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เขาจะใช้เป็นเกณฑ์นะคะก็คือจดหมายจากลูกค้าที่ส่งมาถึงมิชลินไก่นะคะีค่ะคนที่ไปชิมเนี่แหละคะ่ะว่าจะนำมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคะ่ะมิชลินก็ไม่เปิดเผยนะคะว่าคนที่จะไปชิมนั้นมีกี่คนนะคะ ในประเทศเอเชียเรานะคะก็มีมิชลินเข้ามาแล้วนะคะหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นสิงค โ, โปร์เกาหลีใต้ไต้หวนันและประเทศไทยค่ะ และในประเทศเอเชียนะคะก็ได้มีการทำไกบุกและให้มิชลินสตาร์ไปแล้วก็คือประเทศจีนญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมิชลินสตาร์นะคะส่วนว่าจะเป็นมิชลินสตาร์ร้านไหนบ้างนะคะอย่างเช่นหนึ่งดาวนี้นะคะที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือสติีฟู้ดนะคะก็คือร้านเจฟฟ ะะแล้วก็ร้านอาหารไทยอย่างเช่นสเสนจันร์หรือว่าโบราณนะคะต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะที่เอ่ยนามไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะที่ฉันไม่ได้มีส่วนได้สูญนเสียในเรื่องนี้อย่างใด น, น ะ, ะเพียงแต่ว่าจะนำเอาความรู้ของมิชลินสตาร์มาบอกเล่าให้ฟังกันเท่านั้นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการ บอกเล่านะคะเกี่ยวกับดาวนะคะนอกจากร้านอาหารไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของโรงแรมนะคะมาอ่าให้ความรู้คุณผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมระดับมาตรฐานของโรงแรมนี่นะคะมีกี่ดาวกันแน่เพราะว่าบางคนบอกว่าโรงแรมดีชัน9ดาวนะคะ โรงแรมจะอยู่ที่ห้าดาวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะนำมาเรียนให้คุณฟังได้ทราบเผื่อว่าตอนนี้นี่นะคะการท่องเที่ยวนี้นะคะเราสามารถที่จะจองโรงแรมได้ด้วยตัวเอง หากว่านะคะเราเข้าไปนะคะย่างอ่าเว็บไซต์ของการจองที่พักเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะระบุเลย1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวนะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะเผื่อว่าแบบไหนนะคะจะตรงกับความต้องการนะคะในการไปเที่ยวของเราในแต่ละครั้งแต่ละที่มากที่สุดแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่า เว็บไซต์ Expedia นี้นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจรชั้นนำของโลกเนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการบนเครื่องบินและในโรงแรมทั่วโลกประจำปีที่แล้วนะคะ2561ันหากได้ทำการสำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและมารยาทนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงานกว่า 18,000 คนทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า600คนเข้าร่วมในการทําแบบสอบถามครั้งนี้ค่ะผลการศึกษาพบว่าคนไทยนี่นะคะเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุดในโลกอันนี้เป็นความที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเที่ยวบินสูงที่สุดนะคะเฉลี่ยนะคะต่อคนนี่นะคะ10ทเที่ยวต่อปีค่ะ และมีญี่ปุ่นและอินเดียตามมาเป็นอันดับสองและอินเดียอันดับสามค่ะ ผลการศึกษาข้อมูลผู้ใช้บริการบนเครื่องบินและโรงแรมทั่วโลกประจำปีนี้นะคะจัดขึ้นโดยน s t a r ซึ่งเป็ น, นในานามของ Expedia เดียนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยวนะคะเป็นการเตือนว่าแม้การเดินทางจะเป็นเรื่องที่น่าสนุกแต่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่น่ารำคาญนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางก็สามารถทาลายความรู้สึกที่ดีได้อย่างรวดเร็วแบบสอบถามนี้สารวจทางออนไลน์ นะคะคุณฟังนะคะก็พบว่านะคะคนไทยเรานี่นะคะมีความเชี่ยวชาญ น, นะคะในการใช้เทคโนโลยีมากที่สุดในโลกค่ะโดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวจะเดินทางแบบเที่ยวเดียว5้าเที่ยวต่อปีเป็นเที่ยวบินส่วนบุคคลนะคะคิดเป็นสองในสนะคะของอาการเดินทางนะคะสำหรับธุรกิจนะคะก็เพียงแค่1เที่ยวต่อปีเท่านั้นและ ประเทศที่มีการเดินทางเพื่อธุรกิจสูงมากเป็นพิเศษก็คือประเทศไทยค่ะเดินทางเฉลี่ย 4.5 เที่ยวต่อปีประเทศญี่ปุ่นนะคะเที่ยวต่อปีและประเทศอินเดีย 3.6 เที่ยวต่อปีส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในชั้นประหยัดก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนบุคคลโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจชาวอเมริกันและไทยค่ะมีแนวโน้มที่จะเดินทางในทเที่ยวบินชั้นประหยัดแบบพิมีม หรือสูงกว่านอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมใช้บัตรขึ้นเครื่องหรือว่าบัตรบอดดิ้งพาสแบบกระดาษมากกว่านะคะบัตรผ่านทางโทรศัพท์มือถือค่ะสำหรับผู้ที่มองหาและต้องการจองแพ็กเกจการเดินทางของคุณนะคะไปยังจุดหมายปลายทางใกล้ๆนี้นะคะก็ใช้เงินเพียงแค่358ดดอลลาร์ต่อคนเท่านั้นค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของคนไทยนะคะในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะผลการสํารวจก็พบว่าคนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีเที่ยวบินสูงที่สุดโดยเฉลี่ยเนี่ยสิเที่ยวต่อปีและที่สําคัญนะคะเมื่อไปเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน คุณผู้ฟังคะ่ะรายการมุมมองข่าวในช่วงมองรอบด้านช่วงที่2นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับดาวนะคะที่ให้กับโรงแรมต่างๆนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองนี้นะคะสามารถที่จะจองโรงแรมนะคะตาม เว็บไซต์ต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีการพบนะคะว่าจะมีการให้บริการนะคะโดยเป็นระดับมาตรฐานของโรงแรมนะคะแล้วก็การให้ดาวนะคะจะเลือกจองแบบไหนดีนะคะการให้ดาวเนี่ยเป็นวิธีจัดกลุ่มโรงแรมอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นการแบ่งตามระดับมาตรฐานของบริการะคะ่ะซึ่งก็จะเป็นการวัดผลประโยชน์ต่างๆนะคะที่จะได้รับนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดโรงแรมขนาดที่พักการบริการต่างๆก่อนอื่นที่ต้องเข้าใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะว่ากิจาการโรงแรมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายเป็นสินค้าที่จับต้องได้แต่ว่าเขาสามารถที่จะาขายในเรื่องของบริการนะคะอย่างเช่นการบริการที่ประทับใจจากผู้ให้บริการนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จับ ต้องไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะก็จะทําให้ผู้ที่มาพักเนี่ยจดจำแล้วก็ประทับใจไม่ลืลืมนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้บริการนี้ได้ใหม่การกระทำนะคะที่จับต้องไม่ได้นี้นะคะส่วนใหญ่นี่นะคะก็จัดใช้วิธีปฏิบัติต่อผู้ที่มาพักเนี่ยด้วยความสุภาพนอบน้อม มีความเอาใจใส่มีน้ำใจช่วยเหลือนะคะมีความเข้าอกเข้าใจต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นด้วยนะคะก็คือเรื่องของการตกแต่งห้องการแสดงออกของพนักงานใช่ไหมคะเตียงนอนหมอนนะคะเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่อาหารนะคะก็มีส่วนสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะคะแต่ความยุ่งยากนะคะของการบริการในเรื่องของโรงแรมนะคะก็จะอยู่ที่ ะะว่าความรู้สึกนะคะของผู้ที่เข้ามาพักของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความต้องการของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นนี่นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงมีองค์กร น, นะคะที่จัดประเมินและให้คะแนนบริการของโรงแรมและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทาง ที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักเอาไว้นะคะก็คือสมาคมยานยนต์สหรัฐนะคะหรือ The American Automobile Association หรือ AAA และหนังสือคู่มือการเดินทางของโมบิลโรงแรมที่ AAA ให้คะแนนไว้สูงสุดก็จะได้เพชรนะคะระดับ4ส่วนโมบิลเทเวลลไกดก็จะให้ดาว4หรือ5ดวงแก่โรงแรมที่ได้คะแนนสูงสุด แต่การที่โรงแรมใดจะได้เพชรห้าเม็ดหรือว่าดาว5ดวงก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามาตรฐานของทั้งสององค์กรนี้ตั้งไว้ค่อนข้างสูงมากค่ะแล้วว่าจะต้องรักษาระดับบริการให้คงที่นะคะปีแล้วปีเราเรียกได้ว่าการบริการนั้นน่ะก็จะเหมือนเดิมหรือว่าต้องดีกว่าเดิมนะคะไม่สามารถที่จะพร่องลงเลยดังนั้นนี่นะคะหากว่าเราจะพบโรงแรมในสหรัฐอเมริกาที่เป็นเพชร 5เพชรหรือว่า5ดาวเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงแค่50แห่งส่วนถ้าเป็นประเภท4ี่เพชรหรือ4ดาวนี้นะคะก็จะมีเป็นร้อยแห่งนะคะในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าในสำหรับอังกฤษนะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะหลายแห่งที่ทางการได้จัดกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารแล้วการให้ดาวก็คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพนีนะคะก็จะเป็นแนวทางสำหรับผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว เลือกใช้บริการได้ตามที่ต้องการค่ะที่อังกฤษก็จะมีสมาคมยานยนต์นะคะ Automobile Association หรือ AA และราชยานยนต์สโมสรหรือ Royal Automobile Club RAC นะคะเป็นการจัดกลุ่มโรงแรมค่ะที่อังกฤษนะคะจะมีการจัดกลุ่มโรงแรมโดยวิธีให้ดาวตามแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือกลุ่มดาวเดียว โดยทั่วไปนะคะถ้าเป็นดาวเดียวเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่มีอิสระหรือว่าเป็นเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีคุณภาพระดับเดียวกันส่วนใหญ่โรงแรมที่เป็นดาวเดียวจะมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะคะตั้งอยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวราคาปานกลางนะคะแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์บางโรงแรมก็จะมีห้องอาหารแต่ว่าแคบแล้วก็จากัด แล้วก็ไม่ค่อยมีบริการรูมเซอร์วิสหรือว่าบริการยกสัมภาระนะคะโรงแรมในระดับนี้นะคะดาวเดียวก็อย่างเช่นพวกอีโคโนลอร์หรือจะเป็นโมเทลซิก์นะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังจะทราบ ว, ว่าถ้าเป็นดาวเดียวแล้วเนี่ยนะคะบรรยากาศของโรงแรมดาวเดียวเนี่ยจะเป็นกันเองแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของก็จะเป็นผู้ดูแลบริหารงานเองค่ะ แต่ถ้าเป็นกลุ่มสองดาวนะคะคุณฟังโดยทั่วไปก็จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะคะซึ่งบริหารจัดการโดยเจ้าของโรงแรมโรงแรมก็จะมีความสูง 2-4 ถึงชั้นแล้วก็ให้บริการด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวราคาไม่แพงแล้วก็ใกล้บริการขนส่งสาธารณะ มีการตกแต่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาดเรียบง่ายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีร้านอาหารนะคะเพราะว่าร้านอาหารดีๆก็จะอยู่ใกล้ๆโรงแรมนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะโรงแรมนี้ก็จะได้แก่เดย์อนะคะหรือว่าลาลาคืนต้าอินะคะถ้าเป็นสามดาวนะคะก็จะขนาดก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือที่พักก็จะกว้างขึ้น เพราะว่ามีห้องพักแล้วก็มีล็อบบี้นะคะที่ตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามนะคะก็จะเป็นที่ที่เราไปติดต่อนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการตกแต่งที่สวยงามแต่ว่าจะไม่มีบริการยกสัมภาระนะคะ โรงแรมสามดาวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้กับทางด่ว น, ในใสายสำคัญแล้วก็มีเขตธุรกิจที่สะดวกต่อการจับจ่ายนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีราคาปานกลางไปจนถึงราคาสูงนะคะแล้วก็จะมีห้องอาหารขนาดกลางนะคะให้บริการตั้งแต่มือเช้าจะดมื้อค่าํา การให้บริการรูมเซอร์วิสเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะมีบริการจอดรถศูนย์ออกกำลังกายสระว่ายน้ำนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุ้นเคยก็อย่างเช่น Holiday Inn นะคะถ้าเป็นโรงแรมระดับ4ดาวนะคะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นจะเป็นโรงแรมที่มีระเบียบมีการตกแต่งพื้นที่แผนกต้อนรับที่สวยงามนะคะแล้วก็มีบริการยกสัมภาระมีอ่าคอยให ความช่วยเหลือแก่เรานะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับโรงแรมในระดับเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวระดับการบริการก็จะสูงกว่าระดับเฉลี่ยทั่วไปนะคะห้องพักก็จะตกแต่งสวยงามนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยงามนะคะแล้วก็จะมี ที่เป่าผมเทคค่ะก็จะมีที่เป่าผมให้นะคะแล้วจะมีเครื่องอเครื่องชงกาแฟอย่างดีนะคะแล้วก็ระดับการบริการเนี่ยก็จะสูงกว่านาเฉลี่ยนะคะระดับ3ดาวนะคะมีบริการร้านอาหารแล้วก็อาจจะมีมากกว่า1ร้านนะคะ แล้วที่สำคัญนะคะก็จะมีบริการรูมเซอร์วิสเกือบตลอดทั้งวันแต่ว่าไม่ฟรีนะคะก็จะต้องเสียเงินนะคะโดยทั่วไปก็จะมีบริการจอดรถหรือว่ามีที่ให้จอดรถนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลมีศูนย์ออกกำลังกายแล้วก็มีสระน้ำนะคะโรงแรมในระดับสี่ดาวก็อย่างเช่นแมริออทหรือจะเป็นไฮแอ p ค่ะ ถ้าเป็นกลุ่ม5้าดาวนะคะกลุ่มโรงแรมนี้ก็จะนำเสนอเฉพาะที่พักและบริการในระดับสูงสุดเป็นสถานที่ให้บริการลูกค้าในระดับสูงนะคะถึงแม้ว่าโรงแรมระดับ5ดาวจะมีขนาดที่ใหญ่นะคะแต่บางครั้งนะคะสถานที่เนี่ยอาจจะ เล็กนะคะแต่ว่าคงความเป็นอิสระมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นบริการที่เราไม่สามารถพบได้ในโรงแรมทั่วๆไปค่ะบางครั้งที่ตั้งนะคะก็อาจจะอยู่ในที่ที่เงียบสงบตามชานเมืองหรือว่าใจกลางเมืองแต่ว่าล็อบบี้นี่โอโทงห้องพักตกแต่งหรูหรานะคะผ้าปูคุณภาพดีมอนผ้าหม่มสิ่งอำนวยความสะดวกดีมากนะคะมีเครื่องเล่นวิดีโอสเตอริโออง อาบน้ำนะคะเป็นถึงจากรุซี่ซริมสู่บันจะเป็นห้องส ม, มุดนะคะมีวิวทิวทัศน์มีสระน้ำร้อนน้ำอุ่นที่สวยงามและคุณผู้ฟังจะสังเกตได้อย่างหนึง่งก็คือจะมีร้านอาหารให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีบริการรูมเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงมีศูนย์ออกกำลังกายบริการที่จอดรถแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลผู้ที่เข้ามาพักนะคะตลอดเวลาเลยค่ะ โรงแรมระดับนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นรีสคั์ตันหรือจะเป็นฟูลซีซั่นด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของการแบ่งระดับโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในสหรชาชาแนลจากหรือว่าในประเทศ สหรัฐอเมริกาด้วยกันนะคะถ้าไม่ให้ดาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพชรนะคะถ้าเป็นเพชรเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะคะก็จะเป็นระดับโลกนะคะโรงแรมชั้น1ระดับกลางโรงแรมชั้น2แล้วก็ระดับประหยัดคือโรงแรมชั้น3แต่ถ้าเป็นเพชรนะคะจะเป็น 5, 5ดาว5เพชรสเพชรก็4ดาวนะคะ ถ้าเป็นระดับโลกนะคะก็คล้ายๆห้าดาวค่ะก็เป็นระดับที่หรูหรานะคะชนิดที่เรียกว่านักธุรกิจระดับสูงสุดดารานักแสดงนักการเมืองระดับสูงเศรษฐีนะคะก็จะมีห้องอาหารหลายแบบมีห้องพักหลายแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องใช้ต่างๆอย่างดีนะคะและจุดที่สําคัญนะคะของระดับโลกก็คือการดูแลเอาใจใส่แขกเนี่ยเป็นส่วนตัวเลยนะคะเรียกได้ว่า พนักงาน1คนน ะ, ะต่อผู้มาพัก1คนนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองสิ่งต่างๆไนดะ้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญนะคะพนักงานก็จะพูดได้หลายภาษาแล้วก็จะคอยช่วยเหลือนะคะผู้ที่มาพักเป็นพิเศษนะคะในชนิดว่าจะต้องเป็นระดับที่เรียกว่า Executive นั่นเองค่ะ แต่ถ้าเป็นระดับกลางนะคะความนิยมก็สูงสุดเหมือนกันแต่ว่าไม่หรูหราเท่าแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จําเป็นให้นะคะถ้าเป็นระดับประหยัดนะคะโรงแรมนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าห้องพักสะอาดอยู่สบายนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานนะคะที่เราใช้ใช้กันอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เดินทางมาเป็นครอบครัวนักท่องเที่ยวที่มากับกรุ๊ปทัวร์หรือจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบ นะคะหรือจะเป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยวระหว่างพากัก้รนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มาประชุมสัมมนา น, นะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะนิยมห้องอาหารแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีห้องอาหารเต็มรูปแบบแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปพึ่งร้านอาหารข้างนอกที่อยู่ใกล้ๆลโรงแรมนะคะแล้วก็นะคะ ในเมืองไทยนะคะมีการจัดอันดับดาวตามโรงแรมแบบนี้หรือไม่นะคะที่เมืองไทยนะคะยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานไหนนะคะจัดดาวหรือว่าวิธีอื่นใดที่บอกถึงระดับมาตรฐานหรือประเภทของโรงแรมค่ะ แต่ว่านี่นะคะการกำหนดมาตรฐานของโรงแรมด้วยดาวต่างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องที่กำหนดโดยความรู้สึกของผู้พูดเองนะคะดังนั้นจึงไม่มีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะคะหรือว่าเชื่อถือได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีสถาบันที่น่าเชื่อถือมารับรองนะคะแต่อันที่จริงนะคะถ้าสถาบันไหนในเมืองไทยเริ่มการจัดให้ดาวแก่โรงแรมต่างๆนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะคะเว้นแต่ว่าเป็นการดาเนินการโดยหน่วยงาน ราชการนะคะเพราะว่าการให้ดาวนั้นจะต้องมีทางให้ดาวมากกับดาวน้อยไปพร้อมกับโรงแรมที่ได้ดาวมากแน่นอนก็ต้องพอใจแต่ถ้าโรงแรมที่ได้ดาวน้อยก็อาจจะไม่พอใจนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ดิฉันนามาจากเว็บไซต์นะคะจาก t e a c h e r คะ s s u a c t h ค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ท่ากัศยานสุวรรณภูมิของเราตอนนี้ก็ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะนั่นก็คือเรื่องของบัตรขึ้นเครื่อง o a r d ด n g Pass และป้ายติดสัมภาระที่เรียกว่า Back t ท็นี้นะคะก็ได้มีการ ชนิดที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารนะคะเพราะว่าผู้โดยสารสามารถที่จะใช้ระบบออกบัตรโดยสารด้วยตนเองนะคะแล้วก็พิมพ์บัตรโดยสาร b u r รยิ่งพ s s ได้ที่ตู้คี o s อโดยระบบนี้นะคะก็จะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับสายการบินต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันค่ะ และเมื่อเราได้บัตรโดยสารสําหรับขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องการความรวดเร็วก็คือระบบเช็คอินที่ทางออกขึ้นเครื่องที่รวดเร็วและแม่นยํานี่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญที่สนามบินมาตรฐานทั่วโลกจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินขนาดเล็กขนาดใหญ่และแน่นอนนะคะว่าสนามบินในห ล, หลายแห่งในประเทศไทยตอนนี้นะคะมีเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าระบบ สากล น, นะคะในประเทศไทยกับสนามบินนั้นนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเรานำเอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าคิวอันนี้นะคะก็คือระบบที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของเคาน์เตอร์เช็คอินเป็นสิ่งที่จะรองรับปริมาณสายการบินที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดแล้วก็ช่วยลดเวลา ในขั้นตอนของการเช็คอินนะคะลดปัญหาความล่าช้าในการตรวจเช็คผู้โดยสารและก็กระเป๋าสัมภาระทั้งหมดค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะ ก็คือเทคโนโลยีนี้นะคะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก i อเอซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับมาตรฐานการบินสากลที่จะช่วยยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิ น, นะคะให้มีมาตรฐานในการบริการเทียบเท่าระดับโลกนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการดําเนินงานของสายการบินต่างๆได้ด้วยค่ะและที่สําคัญคะ่ะระบบตรวจบัตรโดยสารเครื่องเครื่องคิวนะคะใช้ได้กับทุกระบบ ของทุกสายการบินนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะที่มาเช็คอินที่สนามบินนะคะก็ลองใช้บริการตรงนี้ดูนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบริการ Airport Solution นะคะที่กลุ่มบริษัทสามารถเทเลคอมเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2549แล้วนะคะในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและก็ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะคะก็ได้ขยายการให้บริการไปอย่างท่าอากาศยานนานา ชาติภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายหัดใหญ่และดอนเมืองล่าสุดนะคะก็อยู่ที่ท่าจากรศยานกระบี่ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องคิวนี้นะคะคนไทยสามารถภาคภูมิใจได้นะคะเพราะว่าระดับสากลอันนี้นะคะเป็นระบบที่ทำโดยคนไทยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะ